นะท่านก็จะพูดขยายไปถึงว่าต้องการที่จะให้ชีวิตเขายาวนานอย่างเนีน้อันนี้ก็แสดงว่าท่านจะโยงใหญ่มหาฐานเพราะฐานเกี่ยวกับการให้อย่างอื่นๆก็เหมือนกันนะนะในเรื่องของทรัพย์ของผู้อื่นก็เหมือนกันนะถ้าเราจะไปรักของผู้อื่นไปเห็นของผู้อื่ น, เ, น, นเรางดเว้นไม่ใช่ของเราเรามีฮีริโอตาปะเราก็งดเว้นนะอันนี้ก็เป็นศีลแต่ถ้าเราคิดว่า เขาเองก็คงจะต้องเป็นทุกข์อ่ะถ้าของเขาหายไปในเมื่อเราเองก็เป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อของเราหายไปนะเราก็จะเลยคิดจะให้ไอ้ความไม่เป็นทุกข์นี่แก่เขาให้ของให้ของของเขามีความปลอดภัยให้เขาได้ใช้ของของเขาอย่างเนี้ยนะอันนี้การโดเว้นนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฐานด้วยนะอันนี้เป็นต้นก็แล้วกันส่วนในเรื่องของอโลพาอโลภามันก็มีหลายอโลภาอีกนะโยม ช่ไหยบอโลภามันก็มีหลายประเด็นอโลภาที่เป็นทานก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะว่าอโลภาที่เกี่ยวกับความสันโดษความมักน้อยนะอโลพาที่เกี่ยวกับเนื้อมมะก็มีใช่ไหมนะแต่ว่าอโลภาที่เป็นทานเนี่ยก็คงจะเป็นอโลภาที่เกี่ยวกับของที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่ยึดติดนะแล้วก็ไปทำงานประสมกับเจตนาที่คิดจะให้คนเดอโลภาธตัวนี้ก็จะเป็นทาน ถ้าเป็นของพระภิกษุก็น่าจะเห็นได้ตอนที่พิจารณาอาหารพิจารณาอาหารเนี่ยยมทราบไหมว่าประเพณีในการพิจารณาอาหารของพระเนี่ยเขาทำกันยังไงถ่ามีอยู่สิบรูปเนี่ยใครจะได้ไปก่อนใครจะได้ไปพิจารณาอาหารก่อนสามเณรอพระาอะไรนะโยผพาผู้มีปัญญา ม, มากที่สุดนะ บางทีเนี่ยท่านก็สอนให้เรามีอโลภาทานอยู่ในนั้นด้วยโยมนะก็คือว่าเวลามีโยมมาถวายสังฆทานนะแม้โยมก็อยากจะได้บุญมากะนะให้ทั่วถึงนะเจ้าคะนะมีมาลูกเดียวอะ่ะนะทั่วถึงยังไงโยมนะทีนี้ท่านก็แนะนำวิธีอโลภาทานไว้ให้ว่าพระเทระไปแล้ววันนี้โออันนี้สัปปยะแกเราด้วยอนะก็พิจารณาก่อนวนนี้ วันต่อไปอีกมาอีกให้ทั่วถึงนเจ้าค่าอีกมาลูกเดียวอีกเพิ่มเติมทีนี้ว่าทีแล้วท่านก็จะต้องมีอโลพาะละยมเมืม่อวานเราได้แล้ววันนี้เราควรจะให้โอกาสผู้อื่นเขาได้โภชนาหารส่วนที่บ้างอย่างเนี้ยอโลภาเก็จะมาทำงานประกอบกับส่วนนี้นะยยมท่านถ้าจะชี้ชัดถลุปประเด็นของคาถามนี้ก็คือว่าเจตนามันก็มีหลายประเด็นหลายอย่าง เจตนาในการให้จึงจะเรียกว่าทานวิรัต์ศนะีลห้าเนี่ยถ้างดเว้นธรรมดาก็คงจะเป็นศีลหรือว่าเรียกเน้นหนักไปทางศีลแต่ว่าถ้าเรามีใจมุ่งที่จะให้ความปลอดภัยให้ชีวิตให้ทรัพย์สินให้ความจริงอะไรพวกนี้เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นทานด้วยหรือท่านวิจารย์จะมีอะไรเสริมไหมครับ การที่เราให้ทานชาวพุทธเราก็คงจะรู้จักกันทุกคนนะนะแต่ทำไมเราจะต้องมาศึกษาหรือมาฟังเรื่องว่าอะไรเป็นสภาพของทานนะเพราะอะไรจุดประสงค์ในพู้ศาสนาบุญกิรยิยวัตุทุกข้อต้องมีที่ถูกชุ ก, กรรมนะก็คือเป็นส่วนของการที่จะต้องมีการเห็นตรงจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องมากขึ้นว่าสภาพธรรมะอะไรที่เป็นตัวที่ ทำให้เกิดการให้ทานตรงนั้นก็จะเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเกื้อกูลกับการที่อบรมกุศล ข, ขั้นสูงด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจสภาธรรมะปกติของอุปาทานทุกคนมีอุปท า, านไหมมีนะถ้าใครไม่มีอุปท า, านก็ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของอุปท า, านเขาจะยึดเกาะเขาจะยึดเกาะทุกอย่างนะ โดยเฉพาะสิ่งที่ดีๆแม้สิ่งที่ไม่ดีก็ยึดนะอย่างเช่นสัตว์นรกนี่เขามีความยึดมั่นในชีวิตเข้าไหม ย, ยังยึดอยู่นะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่เข้าใจภาพธรรมะเวลาให้ทานเสร็จก็เป็นใครที่ให้ทา น, ทานก็เป็นเราที่ให้ทานเพราะนั้นการเข้าใจสภาพธรรมะเหล่านี้เกื้อกูลแก่การที่จะทําให้ตัณหามานะทิฐิคลายลงนะในอัจฉริยะในอังคุติริกายอัจฉรินิบาตทุติยาทานนันสูตรนี่ท่านแสดงว่าธรรมะสารประการเนี่ย บดิตกล่าวว่าเป็นทางไปสู่ไตรทิพย์ก็คือในสวรรค์ข้อที่1ให้ทานด้วยศรัทธาก็ต้องรู้ว่าลักษณะศรัทธาเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะปรุงแต่งที่จให้ศรัทธานะั้นมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะ 2. ให้ทานด้วยหิรินะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปด้วยต่อการตรณีละอายในการที่จะไม่ให้หนะจึงทําให้เกิดการให้ข้อที่3ให้ทานอันหาโทษไม่ได้อันนี้ต้องมีปัญญา ต้องรู้ด้วยว่าทานอันไหนที่จะมีโทษแก่ผู้รับนะหรือว่าอันไหนที่จะมีโทษแก่ตัวเองมากให้สิ่งนั้นก่อนนะอะไรที่เป็นที่รักมากเป็นที่ยึดถือมากให้สิ่งนั้นก่อนอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาด้วยนะชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทโวโลกด้วยทางนี้แหลในตระถาอีกสูตรหนึ่งท่านแสดงว่าการให้ทานเป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกการไม่ให้ทานเป็นเครื่องประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้ว ถ้าเราไม่เริ่มต้นฝึกจิตจากการที่จะมีการสละคือมีอะโลภะมีอาโตส ะ, จะเจริญขึ้นในจิตจะไปอบรมจิตฝึกจิตขั้นสูงขึ้นกว่านี้ก็ไม่ได้หรือแม้ว่าถ้าเราฝึกจิตไว้ดีแล้วน ะ, ะเช่นจเจริญสมถตาเจริญวิปัสนาแต่ไม่รู้จักสละไม่รู้จักให้จิตที่อบรมไว้แล้วจะถูกหมักหมมสะสมด้วยโลภะและความตรหนี่ก็จะทําให้กุศลจิตที่เป็นไปในสมถวาวิปัสสนาก็อาจจะตกต่ําลงได้นะ ชนทั้งหลายมีจิตโอนอ่อนและน้อมลงด้วยปิยวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลด้วยนะให้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีลให้ดีทานนั้นจึงจะมีผลมีอสงมากแต่ท่านสรุปไว้ว่าการให้ทานเพื่อประดับจิตเท่านั้นเป็นการให้ที่สูงสุดบางคนอาจจะให้เพราะว่าเขาให้เราก่อนเราก็เลยต้องให้เขา นะพระภิณษุคุงหาอาหารกินเองไม่ไดนะ้เราก็ควรจะต้องถวายแก่พระภิณษุหรือว่าปูยตายายเคยสอนมาสั่งสอนให้ทําเราก็ทําตามเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ว่าการให้ทานเหล่านั้นนะยังไม่ใช่เป็นเป้าหมายในพุทธศาสนาการให้ทานในพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะปรุงแต่งประดับจิตให้เป็นไปในสมถะและวิปัสสนาสามารถที่ให้ทานเกื้อกูลที่จะทำให้เกิดในพรหมโลกได้ด้วยนะ เพราะว่าจิตนั้นเบาบางด้วยความโลภและความตระณีอบรมเจริญสมถะก็ควรแก่การไม้ไปเกิดในพรหมโลกได้และการให้ทานขัดกล่าวความโลภความตระณีนี่แหละจะเป็นปัจจัยแก่การนิยี่ทำให้สามารถที่จะปลอดจากนิวรณ์เพราะว่าไอ้เจ้าโลภะเป็นหุ่นหน้าของนิวรณ์นะสามารถที่จะทําให้เจริญวิปัสสนาเพราะนั้นการปรุงแต่งจิตในที่นี้โดยเฉพาะถ้าเรารู้เรื่องของสปาธรรมะรู้เรื่องของเจตนาลักษณะของความจงใจความตั้งใจ หรือว่าของโลภะอาโลภะต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะน้อมนำมาพิจารณามาเฉิยปั ส, สนาแล้วก็ทำให้จิตนั้นหมดจดยิ่งยิ่งขึ้นได้นะ อ, อ้าวแค่แค่นี้ก่อนนะข อ, ข, อขอบคุณท่านพระอาจารย์ครับผมก็จะสรุปประเด็นปัญหาในข้อที่สองนะครับที่ท่านอาจารย์ได้ตอบมาเราก็จะได้สภาพธรรมของทานเนี่ย มีอยู่3ประการด้วยกันนะอย่างแรกก็คือตัวเจตนาทานอย่างหนึ่งนะเจตนาทานก็ได้แก่ความจงใจนะความจงใจของเราในการที่จะสระวัตถุทานเป็นต้นนะครับอย่างที่2องนะก็ได้แก่อโลภทานนะครับสภาพอโลพะนะอย่างที่3ก็คือวิรติทานนะครับวิรติทาน ทีนี้ท่านอานจารย์ได้นะครับกล่าวว่าอย่างเจตนาทานเนี่ยเจตนามันก็มีหลายอย่างเพราะว่าความจงใจในการให้ก็มีความจงใจในการที่จะเอาของผู้อื่นก็มีหรือความจงใจในการค่าก็มีทีนี้ความจงใจเนี่ยที่จะจัดฤฤได้ว่าเป็นเจตนาทานเนี่ยจะต้องเป็นความจงใจที่เกิดร่วมกันกันกบนะครับ S. <S. โลภะทานคือมีความคิดที่จะสละที่จะเป็นตัวกําจัดโลภะใช่ไหมครับความเอาของผู้อื่น ฉะนั้นถ้าเราเช่นเราเลี้ยงหมูอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้หมูกินอาหารทุกวันแ่ะนะแต่ว่าถามว่าการให้อย่างนั้นน่ะจะเป็นเจตนาทานไหมนะครับก็ไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้เกิดร่วมกับอโลพะนะครับเพราะว่าเขามีความปรารถนาที่จะได้ทรัพย์จากการเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการให้ที่เจตนานั้นนะครับทานกับอโลพาทานเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่จะต้อง มีคู่กันเพราะว่าถ้าเจตนาไม่อยู่ร่วมกับโลภะไปะอยู่ร่วมกับโลภะอย่างเงี้ยนะหรือไปอยู่ร่วมกับโทสะเช่นมีเจตนาในการให้ยาพิษเขาอย่างเงี้ยนะครับให้แบบนี้ถามว่าเป็นทานไหมทานในที่นี่หมายถึงว่าเป็นบุญหรือไม่นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นทานอกุศลที่เป็นบุญได้ส่วนวิรติทานนะครับวิรติทานก็ได้แก่ ค, ความงดเว้นใช่ไหมครับเราแปลว่าความงดเว้นที่นี่ความงดเว้นนี่นะ มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอภัยทานนั่นเองนะครับตัววิริยติทานหรืออีกชื่อนึงว่าอภัยทานก็คือการให้ความไม่หวัดวันนะอภัยอภัยนี่ก็แปลว่าให้ความไม่หวัดกลัวเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นการให้ความไม่หวัดวันการที่งดเว้นจากการฆ่าสัตารลักทรัพย์เป็นต้นอันนี้ก็จัดว่าเป็นทานได้ในความหมายว่าให้นะฮะหรือจะเป็นศีลก็ในความว่าเป็นเป็นเครื่องรองรับกุศลที่ยิ่งขึ้นไปก็ได้ นะเมื่อเราสามารถที่จะงดเว้นจากการฆ่าสารลักทรัพย์ได้นะครับซึ่งเป็นเครื่องฝึกกายวาจาแล้วเนี่ยมันก็เป็นบาดฐานในการที่จะให้เรานั้นได้เจริญสมาธิกุศลเป็นต้นนะที่ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นก็สรุปได้ว่าทานเนี่ยนะครับก็จะมีสภาพธรรมอยู่3าประการก็คือเจตนาทานโลภทานแล้วก็ตัววิรติทานนะครับทีนี้ส่วนปัญหาข้อต่อไปนะครับท่านอาจารย์ครับขอเพิ่มก่อนจะไปเรื่องศีลขอทานอีกอันหนึ่งนะครับ ก็คือในข้อของวัตถุนะครับวัตถุทานกับเจตนาทานครัท่านอาจารย์อย่างบางคนเนี่ยอาจจะวัตถุระหว่างวัตถุกับเจตนาเนี่ยอันไหนมีความสําคัญมากกว่ากันเพราะบางคนอาจจะให้วัตถุนะครับปราณีตราคาแพงแต่ว่าอาจจะแบบฝากเข้าไปให้มั่งสักแต่ว่าให้มั่งอะไรอย่างนี้ครับแต่บางคนให้วัตถุแบบมีค่าน้อยแต่มีความตั้งใจ กว่าจะหาวัตถุเหล่านั้นมาได้เนี่ยใช้ความพยายามมากแล้วก็ให้อย่างความตั้งใจเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้นะครับอย่างไหนเนี่ยสำคัญปาาระกันแล้วก็เราควรจะทำทั้งสองอย่างนี้เนี่ยให้มันมีความบริบูรณ์กันทั้งคู่ได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ลูกใดก็ได้ครับที่จะตอบ ยูมเกาเจาะจงหน่อยก็ดีนะ้าจะได้ไม่เกียงกันนะให้เสมอๆกันก็ดีนะท่านท่านพระอาจารย์สัมทบท่านกล่าวไปแล้วนะว่าเจตนากับวัตถุทานเนี่ยต้องมีจึงสามารถที่จะสําเร็จในฐานะใหมกุศลเจตนาในกา ร, รยศละวัตถุนี่แหละแต่ว่าเจตนานั้นจะมีกําลังมากหรือน้อยก็ยังขึ้นกับวัตถุด้วยนะ นะเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุที่ประณีตมากเป็นที่ตั้งความยึดถือมากเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีเจตนาในการที่จะสละความยึดถือมากเท่าไหร่นะก็จะสำเร็จกุศลทานยิ่งมากขึ้นเท่า น, นั้นนะนะเพราะฉะนั้นระหว่างวัตถุกับเจตนานะวัตถุเป็นเพียงอารมณ์เป็นปัจจัยที่จะทำให้เจตนาทานสำเร็จนะเจตนาเนียมีความสำคัญกว่านะ เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถที่จะปรุงแต่งเจตนาให้มีกําลังมากนะมีสมนัสเวทนาเกิดเริ่มด้วยมีญาณนะสมยุศคือประกอบด้วยปัญญาเกิดเริ่มด้วยมีศรัทธาที่ผ่องใสมากนะมีอาโลภาที่มีกําลังด้วยการมนัิการอย่างท่านสอนของเจตนาสอนให้มีการตั้งเจตนาไว้สาการใช่ไหมถ้าเราจะตั้งอย่างไรถ้าเราไม่เป็นผู้สูตุเราไม่ได้ฟังธรรมะมากหรือว่าโยนิสูมนัิการไม่เป็นเราจะตั้งเจตนาอย่างไร นะท่านก็แนะนาไว้นะในมงคลที่ปฏิญีนี่ท่านบอกว่าการตั้งเจตนาสามการเนี่ยในการก่อนที่มุนชนะเจตนาคือก่อนที่จะให้จริงๆเนี่ยจำเดิมแต่การที่จัดแจงเครื่องอุปกรณ์ทานถ้าเราคิดว่าจะให้ทานพรุ่งนี้แต่ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์ไว้อันนี้ยังไม่เป็นปุพพเจตนานะต้องมีวัตถุทานเมื่อไรเริ่มมีวัตถุทานขณะนั้นจึงเป็นปุพพเจตนา ดังนั้นเราก็ตกแต่งนะวัตถุทานนะอุปกรณ์ที่จะให้ไว้พึงเป็นผู้มีความโสมนัสว่าเราจากฝังขุมทรัพย์อันเป็นเหตุแห่งสมบัติที่ติดตามตนไปได้เราคิดอย่างนี้บ้างไหมเราจะให้ทานเรามีการโยนิสโสมนัสการก่อนหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดอะไรเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นอัตโนมัติในการที่จะให้นะขณะนั้นอาจจะเป็นยาณวิปยุท์ก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดเราคิดสักนิดนึงว่าเราจะให้ทําไมทําไมต้องให้แล้วก็หาเหตุผลให้นะว่าที่จะต้องให้เพราะว่าสิ่งที่เราเก็บเอาไว้หรือว่าบริโภคด้วยตัวเองเนี่ยนะมันเหมือนกับข้าข้าเปลือกเราเอามาหุงกินเนี่ยนะข้าวสารเอามาทําเป็นข้าวสารแล้วมาหุงกินมันก็หมดไปหมดไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราเอาเข้าเปลือกนั้นไปปลูกนะมันก็จะมีผลมีรวงรางต่อไปอีกเพราะฉะนั้นวัตถุสิ่งสมบัติทั้งหลายที่เรามี เราไม่สามารถเอาติดตัวตามไปได้หรอกแต่ว่าการสละนี่แหละเป็นเหตุในการที่จะขนสมบัติในขณะที่มีไฟกําลังไหม้เรือนกายเรือนใจของเราอยู่เราก็สามารถที่จะขนสมบัติเหล่านี้ไปด้วยในโลกใดๆก็ติดตามไปด้วยนะขณะที่กําลังให้ทายกขณะที่กําลังให้บรรจงวางไตรยธรรมในมือของทักษทินยะบุคคลพึงทําจิตของตนให้เลื่อมใสว่าเรากําลังทําการถือเอาสาระ จากทรัพย์ที่ไม่มีสาระทรัพย์สินเงินทองจะเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านบ้านช่องใหญ่โตจริงๆแล้วมีสาระหรือเปล่ามีสาระไหมแต่เราห่วงไหมห่วงนะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้พิจารณานะความห่วงความยึดถือความผูกพันเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่ทําร้ายทําอันตรายแก่ตัวเราเองนะความห่วงความห่วงเหล่านี้เนี่ยนาะวความยึดมั่นเป็นอุปทานนะ สามารถเป็นปัจจัยแก่พบพบก็คือทั้งอุปัติภพและกรรมภพถ้าห่วงบ้านแล้วอุศลกรรมให้ผลก่อนตายเราก็จะไปอยู่ในบ้านนั้นนะแต่เป็นอะไรรู้ไหมโยมนะก็เป็นจิ้งจกเป็นแมงมุมเป็นอะไรอยู่ในบ้านนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นความห่วงใยเหล่านี้แหละเป็นตัวอันตรายพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราระความห่วงแหนความห่วงใยความผูกพันความยึดมั่นทั้งหลายเนี่ย เป็นสิ่งที่ทําร้ายใจของเราเองสามารถสระความผูกพันยึดมั่นได้เท่าไรก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองมากเท่านั้นสาระในพุทธศาสนามีสมีหอย่างเท่านั้นอันแรกคือศี่ลสาระอันที่สองสมาธิสาระอันที่สาปัญญาสาระอันที่4ี่วิมุตติสาระอันที่ห้าวิมุตติญาณทัศนสาระสรุปก็คือการอบรมไตรสิกขาเพื่อเพื่อบรรุมรรคผลนั่นเองอันนี้เป็นสาระในพุทธศาสนาจริงๆ แต่ว่าวัตถุเหล่านี้เป็นเพียงผลของบุญที่เราได้กระทํามาแล้วก็เป็นของขอยืมเท่านั้นนะเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราฉล า, าดก็ควรจะต้องถือเอาสาระจากทรัพย์ที่ไม่มีสาระนี่แหละเราไม่จับมันไปก่อนมันก็ต้องจับเราไปเพราะนั้นก่อนที่จะจับ ก, กันเราก็เอามาสะสมให้เป็นทรัพย์ฝังกลุ่มทรัพย์ไว้ในใจของเรานะหลังจากบริจาคทายธรรมไปแล้วเนี่ย งานบริจาคทายธรรมแก่ทักษณียบุคคลทั้งหลายแล้วย่อมมีใจชื่นบานบันเทิงก็คือเกิดปีติโสมนัสว่าทานที่บัณฑิตบัญญัติไว้บัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เราก็ได้ดำรงคือประพฤติตามแล้วโอทานของเราสำเร็จประโยชน์ด้วยดีถ้าเรามีโยนิโสมณัติการอย่างนี้จะมีปีติโสมนัสเกิดไวไหมนะ แต่ว่าด้วยเหตุการณ์หรือว่าความเคยชินหรือว่าชีวิตที่มันดิ้นรนจะต้องทํากิจการงานอะไรต่างๆเลยนะก็เลยทําให้ไม่มีเวลาในการที่จะมาคิดมาไข ค, ครววมาพิจารณานาก็รีบๆทาให้เสร็จบางคนนายิ่งกว่านั้นนะนะเจริญ ม, มักก็คือมักง่ายนะไม่ใช่มักมีองแนาก็คือจะไปเที่ยวซื้ออาหารหุงอ า, อาหารน่ะเสียเวลาเอาง่ายๆเอาปัจจัยเอาเงินทองใส่ซองดีกว่า นะถวายพระท่านจะได้เอาไปเก็บไว้ไม่เน่าไม่เสียอันนี้คือมักง่ายนะโยมนะกุศลก็ไม่มีผลมากแล้วก็ไม่มีโยนิโสมนสิการอะไรเลยและเป็นการให้สิ่งที่มีโทษด้วยมีโทษต่อผู้รับด้วยนะตอนนั้นก็ควรจะต้องมีการฝึกโยนิโสมนสิการก็คือคิดนะคิดให้ถูกคิดให้เป็นคิดให้เท่าเข้าทำนองคลองธรรมเนี่ยนะให้รู้เหตุรู้ผลก็จะเป็นปัจจัยที่ทาให้กุศลเจตนาที่เราทานั้น ประกอบด้วยปัญญานาก็ย่อมทำให้เราเข้าใจความจริงแล้วก็เจริงกุสนได้มีกำลังเพิ่มขึ้นนะเจนนต้องลองพยมเห็นด้วยหรือเปล่าไห <c oughs> ท่านพระอาจารย์สันติบอกว่าเจตนาสำคัญกว่าวัตถุยอมเห็นด้วยไหมยอมมีหลักฐานหรือเปล่า เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะเอาใจพระ อ, อาจานหรือเปล่านะโยมคนที่เดินภัยเดินมาในบ้านในเมืองเราเนี่เยอะแยะมากมายเลยคนเหล่านั้นก็มีวัตถุไหมมีนะแต่การให้กันเนี่ยมีอยู่ตลอดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นการให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนาในยมเพราะฉะนั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องยมเห็นด้วยเห็นด้วยเอาแค่นี้หลยยม ท่านอาจารย์สมศพมีอะไรที่จะเสริมเพิ่ี้ไหมครับตรงนี้ก็คือที่สรุปประเด็นให้เอาหลักมากํากับไปนิดนึงในสัพุริสถานแปที่ช้คำคาว่าสุกีนางเทติให้ของสะอาดคือที่บริสุทธิ์ส ด, สดใสนั่นอย่างหนึ่งประการที่สองก็คือปณีตังเทติก็ให้ของปรีตของที่สมบูรณ์อันนี้ครับเน้นไปที่ถืวัตถุนะกาเรณ์เทติก็ให้เหมาะแก่การนะ หมากการแก่การควรกว่ายั่งกับปียังในกับปียังเทติก็คือให้ของที่ควรแก่เขาของที่เขารักของที่เขาชอบวิจัยยังเนี่ยวิจัยยะเทติเนี่ยก็พิจารณาก็เลือกเป้นน่ยทางที่ให้แก่ผู้นี้จะมีผลมากมีอนิสงส์งมากอย่างไรแล้วก็พินหังเทติให้เนืองนิดก็คือให้ประจําแล้วก็ทาทางจิตตังภาษาเทติเมื่อให้ก็ทําจิตให้พองใส ประการสุดท้ายก็คือทัตวาอัตมโนโหติก็นั่นแหละมีใจเป็นขององค์ตนก็คือให้แล้วก็เบิกบานใจตรงนี้ก็คือหลักหลักของสัพพิสตานสรุปก็คือตรงนี้ที่เก่าเมื่อสักครู่ก็คือว่าวัตถุไม่ใช่ไม่สําคัญแต่เจตนาคือจิตที่จะให้นั้นนะบริบูรณ์สาคัญยิ่งกว่าตรงนี้ฝากให้เราทั้งหลายก็คือปรุงแต่งจิตให้ชัดในการที่จะให้ให้สังเกตด้วนะสักครู่ที่วางทาง จานทร์สุรพงษ์หรือว่าทางจันทร์สันติที่พยายามพูดเราเจตนาทานแต่อย่าลืมได้เจตนาทานเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพัฒนาไปสู่เจตนาที่เป็นศีลนะจะพัฒนาไปสู่เจตนาที่เป็นศีลซึ่งจะเข้าสู่ความเป็นอภัยทานเป็นต้นเป็นไปตามลำดับนั้นขับเน้นที่ตัวเจตนานี่ เห็นไหเจตนาเป็นฐานก็ได้เจตนาเป็นศีลก็ได้อโลภะเป็นฐานก็ได้อโลภาเป็นศีลก็ได้เดี๋ยวมันจะไปตีกันไปทําความเข้าใจใดีตรงเนี้ยว่าสภาวธรรมตรงเนี้ยสรุปแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายจริงๆก็ต้องการที่จะทําให้กุศลธรรมนั้นมีความเด่นชัดขึ้นซึ่งตอนเนี้ยเรายังเดินกุศลไม่ค่อยชัดเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือใช้วัตถุนะนะั่นแหะเป็นตัวปัจจัยในะการที่จะทําให้เรานั้นนะ่ะรู้สึกที่จะวิจัยรู้จี่จะสละที่สรงจริงจะได้สามารถใช้เจตนาได้คล่องขึ้น เมื่อเจตนาคล่องขึ้นมาแล้วเป้าหมายที่สุดก็คือทําศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นสรุปก็คือเรื่องการใช้เจตนาให้เป็นนั่นเองเจตนาถ้าใช้ผิดก็เป็นวะเทวทัศน์เป็นต้นใช่ไหมอาเจระกะมัคคิริโคสาลอาชีดาเกสกัมพลเป็นต้นน่ยครูทั้งหกเนเจตนาใช้พลาดทั้งนั้นเลยแต่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระประเจวุฒิเจ้าหรือสาวกพุทธเจ้าใช้เจตนาเป็นก็เลยไม่เดือดร้อนพวกเราก็พยายามใช้เจตนาให้ชัด แล้วก็ปรุงแต่งให้เป็นบุญจะได้ไม่เดือดร้อนในสังสารวัตรขอบขอบคราบขอบบุญกานพระอาจานนรย์นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าเจตนา น, นั้นจะมีความสําคัญมากกว่าวัาตถุทานแต่วัตถุทานก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสําคัญ ท, ทัศนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ให้ของที่ปา น, นีดเนี่ยนะครับก็ย่อมได้ของที่ปารีดทีนี้ครับท่านอาจารย์มีบางกรณีเช่นเมื่อเรา กำหนดว่าเจตนาสัมพันธ์กว่าอย่างนี้แล้วนะครับบางคนอาจจะมีเรียกว่ากําลังนะครับซั์ในการที่จะบริจาคได้มากกว่าควรจะเป็นนะครับแต่ก็บริจาคนิดนหน่อยหน่อยเพราะคิดว่าเดี๋ยวเราก็นึกเอาสามการเอาไปแล้วกันก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็จิตยินดีหลาไข้ก็ปลื้มใจแต่ให้นิดเดียวพอคือคนอย่างเขาเนี่ยควรจะให้มากกว่านั้นอย่างเงี้ยครับ ถ้าเขาจะเอาว่าฉันถือว่าเจตนาสําคัญที่สุดก็เลยจะเอาแบบนี้ถูกไหมคร <laughs> ับ <laughs> เออทำไมอย่างนี้อย่างนี้เป็นเจตนาที่ไม่เหมาะแล้ว <laughs> <laughs> เจตนาที่ไม่เหมาะคือ <laughs> <c oughs> ถ้าหากคนที่มีความเข้าใจในชั้นของทานอกุศลเนี่ยเนี่ยจริงๆก็คือว่าเมื่อมีวัตถุมากก็จะมีอยู่ข้ อ, อนะมีมากก็ให้มากมีปานกลางก็ให้ปานกลางมีน้อยก็ให้น้อยน้อยไมการไม่ให้นะไม่ดีเลย ใช่จะมีอยู่คำสอนอยู่ที่หนึ่งที่กล่าวคำนี้ไว้เลยท่านจะต้องท่านปิดมุมไว้หมดแล้วหนึ่งเมื่อเธอมีมากเธอต้องให้มากเพราะมีมากเมื่อมีขนาดกลางก็ให้ขนาดกลางนะนะไม่ระให้ปานกลางจะมีน้อยก็ให้น้อยแต่ถ้าการไม่ให้เลยเนี่ยท่านบอกว่าไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดีแต่ก็มีสรุปตอนท้ายเด็กกินคนเดียวไม่สุขไม่ไม่มีความสุขเลย ฉะนั้นคําสอนพระเจ้าเนี่ยปิดมุมบุคคลคิดแบบนี้ไว้หมดแล้ว <c oughs> ฉะนั้นพวกเราก็สบายใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหเข้าใจในเรื่องของทานในกุศลเป็นอย่างดีแล้วฉะนั้นเราก็ไม่ต้องขับเน้นตัววัตถุแล้วถึงเรามีวัตถุมากก็ให้เราเก็บไว้เยอะๆแต่เราจะขับเน้นเจตนาเ <c oughs> ชื่อไหมคนที่คิดอย่างเนี้ยใช้เจตนาไม่เป็นจริงที่สุดจริงๆก็เป็นแค่ราคาพูดราคาคุยออกมาแต่เวลาเดินในทานในกุศลจริ ง, รงๆก็ไม่ไม่เป็นได้จริงเนะีะยฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่า ทานกุศลเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าตัวกิจของทานนกุศลเขาไปทําลายอะไรทําลายตัวโลภะแล้วก็ตัวมัจฉริยะก็ถูกกระชากด้วยถูกทําลายไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าผลปรากฏก็คือความสมบูรณ์ข่งพบชาติเหตุใกล้ของทานกุศลก็คือเป็นความเป็นผู้ดี่ศัทธยาพระธานางังมีศรัทธามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวนั้นถ้าคนเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเขาเชื่อพทธเจ้า ว, วัตถุเนี่ย เป้าหมายที่มีวัตถุภายนอกทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายคือต้องการเอาแลกกุศลให้เกิดขึ้นไดน้เอาเป็นปัจจัยเพื่อเกื้อกูลทําให้กุศลเนีเกิดขึ้นไดน้เพราะวัตถุเหล่านั้นเป็นอัพยากระดาษทำใช่ไหมเป็นแต่ตัวกุศลเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรจเจริญตัวเจตนาทานเป็นธรรมะที่ควรเจริญไอตัววัตถุทานเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรกําหนดรู้ควรที่จะสละคนจะละไอ ต, ตรงนี้ก็ให้เข้าใจตรงนั้นด้ยเพื่อมีตรารยาเรจะเสริม อภิธานคือ ม, มาเสริมเองท่านอาจารย์คะขอโอกาสนะเจ้าคะ5คือเจตนาทานกับวัตถุทานค่ะโยมองในข้อวัตถุทานเนี่ยทำให้ความเจตนาทานเนี่ยแข็งแกร่งนะคะจะเป็นการทําให้อโลพาสแข็งแกร่งเราดูตัวอย่างของพระพุทธศาสนานะคะการให้วัตถุทานของท่านเนี่ยตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงทั้งหมดทั้งสิ้นนะเจ้าคะในเรื่องของวัตถุภายนอก แล้วจนกระทั่งวัตถุภายในจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวความสลละเนี่ยในตัวสิ่งที่สลละเนี่ยยมว่ามันเป็นตัวที่ทําให้เจตนาอันนั้นแข็งแกร่งและสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งถึงความเป็นพระทธเจ้าอยากจะให้เสริมหรืออธิบายข้อนี้เพิ่มเติมเจ้าค่ะอครัอันนี้ก็เป็นความจริงอะนะแต่ว่าถ้าเราจะมาพิจารณาว่า ทำไมเข้าถึงสระได้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรจึงสระได้มากขึ้นมีธรรมะสี่หมวดที่พระพุทธเจ้าสแสดงไว้ใน จ, ก จ, กจกักตุกนิบ า, ททางคุตรนิกายเนี่ยนะภาษาิบุตรท่านก็ยกไปสแสดงในปฏิสัมมิธามารคด้วยธรรมะสี่หมวดนี้เราควรจดจำแล้วก็ควรเอามาฝึกเอามาอบรมพิจารณานะอันแรกเขาเรียกว่าหานะภาคิยาุสลกุศลที่เป็นไปในฝักฝ่ความเสื่อม อันที่สองคือถิติภาคียาขุศลกุศนที่เป็นไปในฝักฝายของการตั้งอยู่ไม่เสื่อมไม่เจริญอันที่สวิเศษภาคยากุศลกุศนที่เป็นไปในฝักฝายของการเจริญยิ่งยิ่งขึ้นอันที่4ี่ก็คือนิเพทภาคียาขุศลกุศลที่เป็นไปในฝักฝ่ายของการที่จะชำระกิเลสถ้าเราเข้าใจหลัก4หลักนี้นะสข้อเนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาถ้าคนมาฟังธรรมะนะคิดว่าเจตนาสําคัญไปนัก็เลยไม่ค่อยสระวัตถุเท่าไหร่ นะความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเจตนาในการที่ให้ทานจริงเพราะว่าคนที่ให้ทานได้ประณีบมากเท่าไหร่เจตนานั้นก็จะมีกำลังมากเท่านั้นใช่ไหมเนื่องจากมีปัญญาที่จะรู้ว่าจะแต่งฉิดอย่างไรให้ปลอดจากความโลภนะหรือว่ากิเลสอวุศลความตรนีต่างๆพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงวิจัยตั้งแต่เสียสงไขแสนกับก่อนแล้วว่าจะให้อย่างไร การให้เนี่ยนะเป็นปัจจัยในการที่ทำให้เป็นพระสัพพัญญูแล้วจะให้อย่างไรล่ะมันถึงจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกเท่านั้นไม่มีกาลังพอเพรา ะ, ะนั้นต้องให้วัตถุภายในด้วยสามารถที่ให้อวัยวะได้สามาที่จะให้สิ่งที่เนื่องกับนะตัวท่านก็คือบุตรภริยาดวงตานะเลือดนะจนกระทั่งสามารถที่จะให้ชีวิตเพื่ออะไร เพื่อจะทาให้กิเลสที่เข้าไปยึดมั่นผูกพันเหล่านี้มันอ่อนกำลังลงอ่อนกาลังลงแล้วไม่ใช่อ่อนกำลังธรรมดาเท่านั้นนะเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งหลายเพื่อจะเป็นพระสัพพัญญูให้กิเลสหมดเท่านั้นไม่ได้จะต้องมีคุณธรรมระดับที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเรยนสอนคนอื่นแล้วก็นำคนอื่นให้ตัสรู้ตามได้เพราะฉะนั้นการแต่งเจตนาเนี่ยต้องเกิดจากปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะแต่งเจตนาไม่ได้ เราไม่สามารถจะสระวัตถุได้มากขึ้นถ้าเราไม่มีปัญญานะนะหรือว่าอาจจะสระได้มากขึ้นไม่มีปัญญาก็จริงแต่ว่าหวังได้มากขึ้นก็เลยต้องสระมากขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่เจตนาทานแต่มันเป็นเจตนาของการที่จะหวังผลเพรา ะ, ะนั้นให้รู้ว่าเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรื่องของกุณธรรมอย่างอื่นก็คืออโลภะอโทซาโดยเฉพาะอโมหะนะที่จะมาแต่งเจตนาทาให้เจตนานั้นมีกาลังสามารถที่จะ ตั้งใจในการยัศละสิ่งไรสละวัตถุอะไรจะต้องมีบริวารอย่างไรของทานต่างๆนะเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่มีบริวารเลยจะเป็นพระเจ้าได้ไหมดงนั้นพระเจ้าจะให้ทานทุกครั้งพระเจ้าต้องมีบริวาร ม, มีบริวารของทานนั้นเพราะว่าพระองค์ต้องมีบริวารการตั้งาศาสนาไม่มีบริวารไม่ได้นะต้องมีพภาษา voke นะดังนั้นให้รู้ว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะเป็นตัวที่ขับเคลื่อน ทำให้วัตตะหมุนไปและทําให้วัตตะหมุนกลับก็ได้นะนะขึ้นอยู่กับเจตนานั่นเองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือแต่งเจตนาให้เป็นกุศลนะเพื่อที่ละอกุศลเจริญกุศ ล, ลกรรมก็คือเจริญกุศลเจตนานั่นเองเพื่อละอกุศลกรรมก็คือละอกุศลเจตนาซึ่งต้องอาศัยพวกอโลภาอโทสะอะโมหะพวกโพธิปักยธธรรมทั้งหลายและในที่สุดก็จะต้องละเจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลนี้ นะด้วยอาริยมรรคอันนั้นเป็นเป้าหมายในพื้ศาสนานะเพิ่มเติมครับ ต, ตรงนี้ขับเน้นสี่ตัวในหลักฐานในหลักจะใช้คำว่าฉันท้าวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสาคือปัญญาถ้าเป็นอย่างต่ำเขาเรียกฮีนาทานใย่ะไหมทานอย่างต่าๆถ้าฉันท้าวิริยะจิตตะปัญญาเนี่ยระดับกลางอันนี้เรามัชชิมาทาน แล้วก็ชันทวิริยะจิตตาปัญญาระดับประณีตระดับสูงก็เป็นปณิฏฐทานแม่ศีลแม่ภาวนาก็ใช้หลักการนี้แหละนหลักการนี้คือใช้กําลังสี่กำลังเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับเจตนาเป็นต้นต้นขอบคุณคุณพระอาจารย์ครับก็สุดว้ยว่าเจตนาก็สําคัญนะสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเหตุในให้เกิดการให้เป็น เจตนาใหญ่เจตนาน้อยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราขาดเจตนาในการให้เนี่ยการสละนั้นไม่เกิดแน่นอนแต่ที้อีกปัญหานลยครับท่านอาจารย์สมมติว่ า, เ, าเราการให้เนี่ยเราให้ของเสมอกับที่เราใช้สอยก็มีให้ต่ํากว่าก็มีให้สูงกว่าก็มีนะครับทต่ี้ถ้าเกิด เ, เด็กในบ้านเนี้นะ เราจําเป็นจะต้องให้ยังไงดีครับจึงจะได้บุญสูงสุดครับสูงกว่าที่เราใช้ยังงี้รือเปล่าครก็กลับขอท่านอาจารย์สัน ต, ติแล้วกันหนึ่ครับก่ <c oughs> อน <c oughs> <c oughs> เด็กในบ้านนี่หมายถึงเด็กอเช่นเป็นลูกจ้างในบ้านอะไรองนี้ยครับเป็นแม่บ้านอะไรย่างเงี้ยเราจะต้องซื้อเสื้อผ้าพแพงกว่าที่เราใช้หรือเปล่า <c oughs> ให้เขาเนี่ยครับพราะเราต้องการ ถ้าทําได้นี่โยมว่าจะได้รับคําสรรเสริญมากไหมนะถ้าทําได้แต่ว่าถามว่าทําได้หรือเปล่ามีคนหนึ่งนะมีคนหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านไล่้ฟังว่ามีแม่บ้านมีเจ้าของบ้านท่านหนึ่งท่านมีคนที่เป็นแม่บ้านก็คือคนใช้อนะเวลารับประทานอาหารเนี่ยนะแม่บ้านเนี่ยจริงแล้วก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะก็จะ เอาอาหารคือไปทานอาหารที่หลังพอเขาเรียกให้มาทานด้วยก็จะตักอาหารไปทานที่อื่นแต่ว่าเจ้าของบ้านคนนี้ยเขาจะชอบเรียกแม่บ้านคนเนี้ยมานั่งร่วมรับประทานอาหารประจําำซึ่งก็ปกติก็ไม่ใช่วิสัยของเจ้าของบ้านใช่ไหมแต่ถ้าเขาทำได้นี่แสดงว่าคนาลดมานะได้เยอะไหมได้เยอะมากเลยนะ ัการขัดเกลากิเลสเนี่ยหรือว่าการเจริญกุศลในพุทศาสนาจะมีกําลังมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากํำราบกิเลสได้มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทานสามระดับเนี่ยนะก็คือท่าสัทธานะเวลาที่เรามีของกินของใช้เราจะให้คนอื่นเราก็ต้องให้สิ่งที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่ามันต่ํากว่าตัวเองของที่เราที่ไม่เห็นว่ามีราคามีค่าเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าท่าสัทธาเพราะว่าอํานาจของความยึดติดความยึดถือจะมีมาก แต่สหายทานก็หมายถึงว่าเรากินเราใช้อย่างไรเวลาให้คนอื่นเราก็ให้อย่างนั้นนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเสมอกันนะะความยึดถือกิลเลสก็เบาบางลงแต่ถ้าเกิดเราสามารถได้ให้สิ่งที่ปราณีตกว่าที่ตัวเองใช้กับคนอื่นได้แสดงว่าความยึดถือมันก็ลดลงอีกนะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองไม่มีใครบังคับไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดศีลการที่เราจะให้ของดีปราณีตกับคนใช้ของเรามากกว่านะ แต่ว่าจะเป็นคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่เขาจะไม่นิยมทํากันหรอกเออนั่นขอขอไปตรงนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปประเด็นเดี๋ยวคืออย่างนี้การให้ทานเนี่ยนะเพราะว่าจะมีมีประเด็นหนึ่งว่าฉันทาวิริยะจิตตาตัวปัญญาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยเราเป็นตัวไปวิจัยเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไปให้บุคคลที่อยู่ในฐานะซึ่งเป็นลูกน้องขอไปในตรงนี้ บางทีถ้าให้มากเกินไปกลายเป็นบุคคลที่เขาจะเหลิงและยึดติดของฉะนั้นผู้ที่เป็นนายผู้ที่เป็นเป็นนายจ้างทั้งหลายก็ดีหรือบุคคลที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งหลายก็ก็ต้องพิจารณาให้เป็นนี่นีนี่ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งนะเพราะว่าการให้ทั้งหมดเนี่ยท่านจะต้องมีปัญญานําหน้าใช่ไหมปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะเข้ามาวิจัยจัดแจงทั้งทั้งที่ว่าและอีกลําดับหนึ่งก็คือว่าถ้าการให้ทานเนี่ยท่านจะขับเน้นบุคคลผู้มีศีล ใช่ไหมวัดกันที่แต่คุณธรรมเช่นถ้าให้กับภิกษุก่อนแล้วก็ต่อมาก็มาสามมาเนรแล้วก็มาให้กับโยมที่ถือศีลสิบศีลเก้าศีลแปดศีลอะไรก็อะไรตามลําดับนั้นนั้นก็เป็นหลักงการที่จะไปวิจัยได้ทั้งหมดเลยว่าลําดับก่อนและหลังคือมันเคยมีตัวอย่างไนงะอย่างกรณีที่ทั้งยานสุรพงศ์ยกมาเนี่ยกรณีที่นายจ้างเนี่ยให้ของดีๆแก่ลูกจ้างแก่นายเอเอนายจ้างให้ของดีๆแกนะ่ลูกจ้างให้ไปให้มาก็กลายเป็นว่า ด้วยการที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องปัญญาก็กลายเป็นว่าทําให้ลูกจ้างเสียคนไปก็ติดในการใช้ของดีๆใช้ของแพงๆและที่สุดก็เหมือนกับพ่อแม่ให้ของลูกที่ที่ขาดปัญญาก็บอให้ให้ให้ให้ไปเบีดเสร็จที่จริงลูกก็เลยใช้ของที่ไม่ดีไม่ได้ตรงเนี้ยเขาต้องที่จริงก็การสละเป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็คือถ้าให้อย่างที่ท่านท่านติวพูดนะ่ะถูกต้องเลยนะให้พรเป้าหมายก็คือการสละนั่นถูก แต่ในขณะเดียวกันทางศาสนาของพระพุทธญาก็จะขับเน้นเรื่องว่าเออดูการดูการในการเหมาะสมกับผู้ที่รับนั้นเป็นต้นด้วยแล้วให้แล้วจะไม่ปะทธร า, ายเขาอางเี้เลยไม่ปทุทธรายจิตใจแต่ไม่เขานั้นยึดติดสิ่งของเหล่านั้นขึ้นม า, นมาก็กลายเป็นกลายเป็นโทษก็เป็นขอข อ, ขอบคุณท่านอาจารยพระอาจารย์ครับฉะนั้นนะครับการให้ทานเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสละ นะวัตถุที่สูงกว่าที่ตนเองใช้สอยเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นปฏิจจานแต่ทีนี้เราก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราพิจารณาถึงว่าจะเกิดโทษต่อผู้รับหรือไม่อันนี้เราต้องพิจารณาก็คือดูความเหมาะสมถ้าเราจะเอาแต่บรารมีส่วนตัวแต่ว่าให้โทษกับคนอื่นอันนี้ก็คงไม่ใช่วิสัยของผู้สร้างบรารมีที่ดีนะครับ มันก็ต้องเป็นคนมีปัญญายาวไกลย อ, อย่างวัดบริษัทเนี่ยท่าจะมีปัญญายาวไกลคือไม่ใช่มองเฉพาะหน้าแค่จบแค่ให้แต่ท่านจะรู้ว่าคนที่จะทําอะไรต่อไปบางเรื่องเป็นเรื่องอัศาจรรย์มากเหมือนไม่น่าเชื่อว่าโอหวางแผนกันยาวไกลเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยการให้ก็คือต้องประกอบด้วยปัญญาจริงจะนําประโยชน์ให้กับผู้รับได้อย่างแท้จริงคือเราไม่ให้เขาได้รับความสุขจากวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้เขารู้จักในการเสพวัตถุเป็นด้วยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองเขาด้วยฉะนั้นกสรุปว่าทานนะครับควรคู่กับปัญญาด้วยนะครับก็จะเป็นความสมบูรณ์ต้องการให้ทานที่ผู้รับนั้นก็ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับจากการใช้สอยวัตถุไม่ใช่ใช้สอยเป็นอย่างเดียวนะครับแต่ไม่รู้จักวิธีในการใช้สอยก็จะเกิดโทษและเสียหายกับเขาได้ <c oughs> ก็จบปัญหาทาน นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่ามันมีอยู่หลายข้อนะครับแต่ผมจะ เ, เลื่อนไปปัญหาเรื่องศีลบ้างนะเลื่อนปัญหาเรื่องศีลซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่เหมือนกันเพราะว่าการศึกษาธรรมะนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราจะศึกษาเรื่องอะไรเราต้องรู้ความหมายของคํานั้นๆเสียก่อ น, นเมื่อเรารู้ความหมายหรือนิยามคําแล้วเนี่ยแล้วก็หาตัวธรรมะอันนั้นนะครับว่ามันได้แก่ธรรมะอะไรในนิยามความหมายนั้น <c oughs> ต่อไปจะเป็นเรื่องศีล น, นะครับท่านอาจารย์ ก็คือถามว่าคำว่าศีลมีความหมายว่าอะไรครับก็ท่านพระอาจารย์สุพลก่อนครับตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทางท่านอาจารย์มาสุคนท่านชำนาญทางด้านบาลีก็ลองใช้ความสามารถในการบอกบาลีฟังผมไม่ได้ความรู้เลยก็นิมนต์ ก็มีการแจกคำถามเหมือนแจกทานเลยเนา ะ, <ช>ะก่อนอื่นก็คงจะทำความเข้าใจให้ทุกท่านเข้าใจร่วมกันนะอ่าไม่ทราบว่าใครที่เพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกในในในหัวข้อเนี้ยอนุบุพีกระถาโยโอ้มีนิดเดียวเองนะที่เหลือเนี่ยมากันทุกครั้งเลย โนะยมก็ฟังกันมาทั้งทานศีล ส, สวรรค์นเนคขมะอ่าอาทินวะแล้วก็นเนคขมะสัก ข, ขะอันนึงด้วยนะโยมฟังกันหมดเลยอะ่ะนะอาตมาไม่ได้ฟังนะแล้วยอมรู้ไหมว่าคำถามเนี่ยเพิ่งรู้เร็วๆเนี่ยนะแต่คนคิดคำถามเนี่ยคิดมานานละนะ <c oughs> จริงๆการตั้งคำถามเนี่ยต้องใช้ สติปัญญามากเลยนะจึงจะสามารถตั้งปัญหาถามได้อัตถะที่เป็นสาระเนี่ยน ะ, นะเพราะฉะนั้นการตอบก็น่าจะต้องมีเวลาที่จะต้องอัอนนี้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ฝากไว้คราวต่วตอๆไปเผื่อโยมจะใจดีนะ <c oughs> อาตมาคงไม่ได้มาลอกจากเห็นท่านอาจารย์สันติท่านก็ชักจะบ่นๆเหมือนกันน ะ, น ะ, นะบอกเพิ่งได้เมื่อวานเนี่ย <c oughs> เมื่อคืนเนี่ยนอนตั้งหกทุ่มไม่哟<笑> <c oughs> ทีนี้แต่มาก็โทรไปหาท่านเมื่อวานเนี่ยบอกว่าอาจารย์เป็นที่เพึ่งให้ผมเลยนะ <c oughs> ผมเพิ่งได้คําถามเมื่อเช้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมเพิ่งได้คําถามเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ทันตีท่านก็บอกว่าไงรู้ไหมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ญญสมทบท่านเป็นพระโหสูตร <c oughs> <c oughs> แต่มาก็คิดว่าคิดว่าวันนี้ยังไงเขาก็ไม่รู้สึกหนักใจอะไรมากเพราะว่านะทั้งท่านอาจารย์สมทบทั้งท่านพระอาจารย์สันติแล้วก็ยังมีโยมอาจารย์สุรพงษ์ด้วยนะผู้คิดปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ก็ว่าไปนีโยมเนาะอันนี้ที่แจงให้ทราบนีโยมชี้แจงให้ทราบว่าอ่ามันเป็นคือในเรื่องของการแจกนะท่านพระอาจารย์สันติก็อยากจะให้ระ บ, บุชื่อผู้ตอบ เป็นการแจกให้ทั่วถึงแต่ในเรื่องของผู้รับก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเหมือนกันนะปกติอาตมาพิจารณาอาหารเนี่ยมักจะให้ศษกคนอื่นโดยโด ย, โดยส่วนใหญ่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะเห็นว่ามีพระธรรมกระึอยู่มากท่านเนี่ยนะหลายท่านแล้วก็มีความรู้มากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโยมก็ไม่ต้องเป็นของอาตมาหรอกว่าจะมานั่งเก้อกันเขิ น, ขนอาตมามาันเขินง่ายๆหรอกโยมนะ <c oughs> เอานะศีลกันแล้วกันนะศีลความหมายก็ว่าให้ฟังนิดหนึ่งศีละนะนะศีลความหมายที่หนึ่งก็คือศีละนะ <c oughs> นะ <c oughs> แปลว่าแปลว่าอะไรศีละนะ <c oughs> แปลว่ามูลรากเหรอแปลว่าเย็นก็ได้นะแปลว่าเย็นก็ได้ศีลเนี่ย <c oughs> เย็นก็คือ ถ้าใครมีศีลแล้วมันเย็นในยมชีวิตเกาจะเย็นนะเย็นเย็นใจแล้วก็ออกมาถึงกายด้วยนะเป็นมูลรากนะรากเง่าของสมาธิของปัญญาแล้วก็มีความหมายว่าสมาธานะนะรวบรวมสมาธานะก็คือรวบรวมไว้รวบรวมอะไรรวบรวมกายวาจาใจนะโดยเฉพาะกายกับวาจานะกายกับวาจาของผู้ที่ไม่มีศีล กระจัดกระจายเป็นโทษก่อความเดือดร้อนให้ตัวเองบ้างให้ผู้อื่นบ้างนะแต่ผู้ที่มีศีลศีลก็จะทําการรวบรวมกายวาจาไว้ให้เรียบร้อยนะไม่ใช่หมายความว่าจะต้องนั่งนิ่งๆ น, นะนั่งเรียบร้อยนั่งนิ่งๆเท่านั้นนะก็คือกายที่ไม่เป็นโทษไม่ไปฆ่าไปเบียดเบียนใครอย่างนี้เขาเรียวกว่ากายเรียบร้อยนะวาิจาก็เหมือนกันไม่ใช่พูดแต่คำวนันหวานนะ บางทีมันเป็นการพูดแบบประจบประแจงก็มนะีเพราะฉะนั้นมาจากการพูดก็ไม่จำเป็นจะต้องหวานก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่มีโทษนะก็ถูกศีลนี่แหละรวบรวมไว้เพราะฉะนั้นความหมายหนึ่งของศีลก็คือการรวบรวมไว้ซึ่งกา ย, ยากรรมวจีกรรมมให้กระจัดกระจายแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็อุปทาณะอุปทาณะก็คือเข้าไปรองรับไว้ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมในเบื้องสูง กุศลนะส่วนเดือนจะเกิดไม่ได้ถ้านะไม่มีศีลซึ่งท่านเปรียบด้วยแผ่นดินนะท่านก็พูดถึงในอริยมรรคมีองค์แดเนี่ยก็เปรียบเทียบว่ามีไตรสิกขาใช่ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาก็เปรียบด้วยชายสามคนนะไปเจอต้นมะม่วงแล้วก็อยากจะกินด้วยกันอุปกรณ์ที่จะทุ่นแรงก็ไม่มีนะสามคนต้องร่วมมือกันเองนะปรากฏว่ายื่นไม่ถึง ไอ้เจ้าคนที่หนึ่งก็เลยก้มหลังก้มหลังลงให้บอกเอาขึ้นเหยียบหลังฉันนะจะได้สูงถึงมะม่วงที่มันอยู่ข้างบนนะพอไอ้คนหนึ่งขึ้นไปยืนบนหลังแล้วก็ปรากฏว่าปล่อยมือไม่ได้โคงเคลงคงเคลงคงเคล ง, ค ง, คลงนะไอ้คนที่2ก็เลยเอียงไหลเข้าไปให้จับอีกอ่ะเกาะไหลฉันไว้นะจะได้ไม่โคงเคลงนะจะได้สามารถยืนได้อย่างมั่นคงนะพอมือนึงไปเกาะไหลเพื่อนแล้วก็อีก เมื่อหนึ่งก็ไปเด็ดเอามะม่วงมากินด้วยกันได้ชันใดนะท่านก็เปรียบว่าสีเนี่เหมือนคนที่หนึ่งเป็นฐานรองแล้วก็สมาธิก็เหมือนคนที่ให้เกาะไหลส่วนปัญญาก็คือคนที่ถื อ, อประโยชน์อันสูงสุดน ะ, ะความหมายในอื่นๆ อ, อ, อ, อีกก็มีเยอะนะแปลว่าศีสระก็ได้เสียนนะเนะสียนที่แปลว่าศีสระหรือหัวเนี่ยคนเราถ้าไม่มีหัวก็อยู่ไม่ได้ตาย นะสีนี่ก็เปรียบเหมือนสีสะเหมือนหัวหัวชีวิตของเราที่จะให้เกิดในสุคติยมทุกวันนี้คนที่คนไหนที่ไม่มีสีเนี่ยนะถ้าในภาษาของบัณฑิตท่านก็จะเรียกว่าเป็นคนไม่มีหัวนะคนหัวขาดคนไม่มีหัวหมายความว่าชีวิตในสุคติเขาเนี่ยกำลังจะเหลือน้อยลงน้อยล ง, ยลงตามวันเวลาที่มันค่อยๆหมดไปแต่ละวันแต่ละวันพอจบ บนเก่าที่อํานวยผลมาเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะก็จะไม่สามารถจะรักษาชีวิตในสุคติพบไว้ได้นะัน้นศีลก็มีความหมายว่าเป็นศีษะก็มนะีเป็นเหมือนศีษะก็คงจะให้ความหมายของศัพท์อนะประมาณนี้แหละนะโย่มันท่านอาจารย์จะเสนออะไรครับท่านอาจารย์จะให้ความหมายอะไรเสรนอไหมครับผมได้สรุปเอาเลยครับเลย <c oughs> ในความหมายของศีลครับที่ท่านพระราชาสุพลท่านให้ไว้นะก็คืออย่างหนึ่งก็คือสมาทานะนะครับที่ท่านบอกว่ารวบรวมกายวาจ า, าไว้ก็คือไม่ให้มันกระจัดกระจายไปนะก็หมายความว่าเป็นการที่รวบรวมกายวาจาใจาเอาไว้อย่างดีนะครับก็คือการที่เรานั้นนะมีการบดเวทีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นอันนี้เนี่ยนะมันเป็นเหตุให้เรานั้นน่ย ได้สุกติพบนะครับคือได้รับความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นการการะทำที่เป็นความรู้สึกลดเวาการฆ่าศัตรูเป็นต้นเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่ตั้งกายวาจาเอาไว้ดีนะครับตั้งกายวาจาเอาไว้ดีอไอ้คําว่าดีก็คือนํำมาสิ่งความสุขนะครับจึงเรียกว่าดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปัฏฐาระนะที่ท่านบอกว่าก็คือทรงไว้หรือรองรับไว้ก็หมายว่าเป็นสภาพที่ สีน่ะเป็นสภาพที่รองรับกุศลยิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะว่าศาสนาเราก็จะมีสีขาวสามสีสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีศีแล้วเนี่ยสีนั้นก็จะเป็นเครื่องรองรับสมาธิกุศลหรือปัญญากุศลถ้าเราขาดสีลสมาธิกุศลปัญญากุศลก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้คือความหมายหลัก2ประการหรือถ้าให้ความหมายอื่นอีกเช่นสีมีความหมายว่าเย็นก็ได้นะครับเพราะว่าสีนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับใครก็สร้างความเย็นให้ไม่ กำจัดความเร่าร้อนนะครับเพราะว่าผู้ทุกสิงก็เป็นผู้เร่าร้อนหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับสมีมีความหมายว่าศีสานะครับสีสากเพราะว่าเมื่อศีสากขาดไปแล้วเนี่ยนะครับโครงร่างทั้งหมดเนี่ยก็เสียหายก็เหมือนกับว่าผู้ที่ไม่มีศีไปแล้วเนี่ยนะครับกุศลทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ได้เสียหายทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นความหมายที่ท่านให้มาก็คือสี่อย่างแต่ว่าความหมายสําคัญก็คือ2ออย่างนั่นเองนะครับก็คือการที่ รวบรวมหรือตั้งกายวาจ า, าไว้ดีนั่นเองสภาพนั้นแหละเราเรียกว่าเป็นศีลคือสภาพที่รองรับกุศลธรรมที่ทสูงขึ้นไปเราก็เรียกว่าศีลอันนี้คือความหมายทีนี้ในความหมายเหล่านั้นนะครับทั้งสองประการก็คือสภาพที่รวบรวมกายวาจาอย่างดีไม่ให้าากระจายไปหรือรองรับกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นปัญหาในข้อที่2อต่อมาว่าความหมายเหล่านั้นนะครับ เมื่อว่าโดยตัวธรรมะของสีแล้วเนี่ยนะครับอะไรเป็นสภาพธรรมของสีคือตัวสีนั่นเองคือไ ด, ได้แก่อะไร <ทำ S 1> ก็ดิมนท่านอาจารย์สมทบครับตอนนี้เข้าใกลเบรกรออยัง <c oughs> น, นี่ถามดูนะี่ถามดูเนี่ยาไม่คิด